เจงิญพมท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธามีความเมื่งใสในพรพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่22กันยายนพุาทธศัาชสองพัน5 0 0ร5เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคำสอนคำสั่งครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าเป็นปัจ ช, ชิโมวาที่โศกตัดไว้ว่ า, ส, ววาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เทีย่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่นานหนักไปจยงยำประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะการยังประโยชน์ของตนและของผู้มูน่นี้จะพาให้จิตใจของเราที่จะต้องจากร่างกายไปในเวลาไม่นานนี้ให้ได้ไปสู่สุคติไม่ต้องไปเกิดในอาบายไม่ต้องไปเป็นเปรต เ, เป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปตกนรก ให้เราได้ไปเป็นเทศ เ, เป็นพรเป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆนี่คือคําสอนที่พระเจ้าสงตรัสไว้ฝากไว้เป็นคำสุดท้ายด้วยความห่วงใยเนื่องจากสัตว์โลกนี้ถูกความหลมครอบงาำอยู่มักจะไม่คิดถึงความแก่ไม่คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่คิดถึงความตายไม่คิดถึงการเวียนว่ายตายเกิด ไม่คิดถึงนรกคิดถึงสวรรค์จะถูกความหลงนี้คอยปฏิเสธอยู่เรื่อยๆว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีบุญไม่ดีบาปไม่ ม, ม, มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีมีถุงไปความคิดเหลนี้แหละเป็นความคิดที่ออกมาจากความหลงความเห็นผิดเป็นชอบความเห็นเก่งจากเป็นดอกบวัว ว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงนั้นเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าส่งสอนนี้เป็นความจริงทั้งนั้นที่ส่งสอนว่าทําบุญแล้วไปสวรรค์ทําบาปแล้วไปนรกตายแล้วต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นไรไปรับใช้บุญชาติกรรมต่อไปอันนี้คือความจริงที่พวกเรามองไม่เห็นเนื่องจากเราถูกความหลน ความมืดบอ่อยครอบงำจิตใจถ้าเป็นคนก็เหมือนถูกเอาผ้ามาปิดตาของเราเวลาถ้าเราถูกผ้าปิดตาไว้เราจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เราก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเราก็อาจจะปฏิเสธไปก็ได้ในสิ่งที่มีอยู่แต่การปฏิเสธนี้ไม่เป็นประโยชน์กับเราแต่อย่างใด เราควรจะเชื่อคนตาดีคนที่ไม่มีผ้าปิดตาไว้เพราะเขาเห็นอะไรต่างๆได้ไม่เหมือนกับเราที่มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีผ้าปิดตานีมาะพระองค์ได้ทรงปฏิบัติได้สร้างบุญสร้างกุสมจนในที่สุดก็สามารถถอดผ้าที่ปิดตาของพระพุทธเจ้าออกไปได้ ทำให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคนตาดีที่มองเห็นกันพวกเราเป็นเหมือนคนตาบอดหรือคนที่มีผ้าปิดตาอยู่เราไม่เชื่อคนตาดีอย่างพ่อพุทธเจ้าแล้วเราจะไปเชื่อใครถ้าเราไม่เชื่อพ่อพุทธเจ้าเราไปเชื่อพวกคนตาบอดด้วยกันพวกที่มองไม่เห็นโรกเห็นสวรรค์มองไม่เห็นบุญไม่เห็นบาปมองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าไปเชื่อพวกนี้ก็เท่ากับเชื่อคนตาบอดด้วยกันนั่นเองคนตาบอดจะเห็นอะไรเหมือนกับคนตาดีได้ไหมเราจึงควรเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกเชื่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพราะว่าเป็นความจริงทั้งหมดความจริงที่พวกเรายังมองไม่เห็นกันเช่นตายไปแล้วเรายังต้องไปเกิดต่อไป เพราะสิ่งที่ไม่ตายก็คือเรานี่ที่เราเรียกว่าใจออกจากร่างกายไปเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณจะไปสูงไปต่าก็ขึ้นอยู่กับบุญกบาร ท, ที่เราทำไว้ในปัจจุบันและในอดีตเวลาตายไปนี้บุญกบารจะมาแย่างดวงวิญญาณของเราไปตัวไหนมีกำลังมากกว่าตัวนั้นก็จะลาก ดวงวิญญาตของเราไปเช่นถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบาปก็จะลากใจของเราให้ไปสู่อบายให้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปตกนรกถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงให้เราไปเกิดเป็นเทสเถพรพเป็นพระอริยเจ้านี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสินแล้วได้นําเอามา เผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นกันและไม่สนใจที่จะคิดกันเพราะถูกอำ น, นาจของโมหะความหลงหลอกลวงให้ไปหาสิ่งที่ไม่มีผลปประโยชน์กับจิตใจให้ไปหาสิ่งที่เป็นโทษกับจิตใจให้ต้องทุกข์ทรมาทั้งในปัจจุบันและหลังจากที่ตายไปแล้วก็จะต้องไปทุกข์ใน พบชาติที่ไม่ดีต่อไปแต่ถ้าเราเชื่อพบพตะเจ้านละนำเอาสิ่งที่พระเจ้ามาสอนมาปฏิบัติเราก็จะทำในสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเราและทำประโยชน์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปได้ <c oughs> สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเตือนอยู่เสมอก็คือ สังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสังขารนี้ก็คือร่างกายของเราร่างกายของเราไม่เที่ยงหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่เหมือนเดิมทุกวันในแต่ละวันนี้ร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเด็กก็มีการเจริญเติบโตขึ้นไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะมีการเสื่อมลงไปวันละเล็กวันละน้อย แล้วต่อไปก็จะมีความชราภาพมีความเจ็บไข้ได้ป่วยและในที่สุดร่างกายนี้ก็จะต้องตายไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอย่าประมาทให้เราหม่คิดอยู่เรื่อยการไม่คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายนี้เรียกว่าเป็นความประมาทอย่งที่พระพุทธเจ้าทรงถามพระอนุนว่าอ น, อนุ์ วันหนึ่งนี้เธอคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายสักกี่ครั้งท่าเนินก็ตัดต่อไปว่าก็ผมก็คิดประมาณสี่ห้าครั้ ง, ช ง, ช ง, งเช้าบ้างเช้ากลางวันเย็นบ่ายค่งพระพุทธเจ้าทรงแต่งว่าเธอยังประมาทอยู่ถ้าเธอจะไม่ประมาทเธอต้องระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าเธอระลึกถึง ลมพิษบรรลนถึงความแก่ความเจ็บความตายทุกลมหายใจเข้าออกโดยจะไม่หลงทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจเช่นการแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายการหาความสุขจากลาบยศสารเสื่อต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจ ไม่สามารถพาให้จิตใจไปสู่ที่สูงได้และถ้าไม่ละมัดระวังการแสวงห า, าดดลาบยศสารเสริญหาความสุขทางต า, งางหูจมุกลิ้นกายถ้าไปแสวงด้วยการวิธีทำบาปก็จะกลับเป็นโทษแก่จิตใจเพราะจะทำให้จิตใจจะต้องไปใช้บาปใช้กรรม หลังจากที่ตายแต่แล้วถ้าเราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเราก็จะรีบสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะเจ็บเมื่อไหร่นั่นเองถ้าเราไปรอเวลาใกล้ตายใกล้เจ็บค่อยมาทำนี้มันจะไม่มีเวลาพอที่จะสร้างบุญที่จะเอาชนะกําลังของบาปได้เพราะ ส่วนใหญ่เราจะมัวแต่ทำบาปทำกรรมอยู่ตลอดเวลานานๆเราถึงจะมาทำบุญกับสัตว์ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ทุกรวหายใจเข้าออกเราจะรีบสร้างบุญสร้างกุศลทันทีเหมือนกับคนที่ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมาเ็งมีอัตราอยู่ได้ไม่เกินสามเดือนหกเดือน ตอนนั้นจะไม่มีใจอยากจะไปห า, าลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยเพราะว่าอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปสู่สุขติไม่อยากจะไปนรกไม่อยากจะไปใช่บาปใช้กรรมตอนนั้นก็จะทำบุญอย่างเต็มที่แต่เวลาที่ให้ทำมันมีน้อยมีเพียงสามเดือน6เดือนเท่านั้นไม่พอ กับบาปที่ได้ทำไว้เป็นเวลาหลายสิบปีด้วยกันดังนั้นเราจึงควรรีบทำบุญเสียแต่วันนี้ด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยเมื่อเราไถึงความตายแล้วและเชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะตายอีก10ปีอีก20ปีหรือ30ปีอาจจะตายวันนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้ ขณะ น, นี้เวลานี้มีคนตายอยู่ทุกเวลามีทุกอายุมีตั้งแต่เกิดออกมาวันหนึ่งตายก็มีเจวันตายก็มีเดือนหนึ่งตายก็มีปีหนึ่งตายก็มี10ปี20ปี30ปีก็มีมีทุกเวลาไม่มีใครรู้ว่าจะตายกันเมื่อเวลาใดดังนั้นเราต้องคิดเสมอว่าเรามีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้ตลอดเวลา คือความตายนี่แหละคือลอตตอรี่รางวันที่หนึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะถูกเมื่อไหร่ดังนั้นเราจึงต้องคิดเสียงเสมอว่าอาจจะเป็นวันนี้ก็ได้อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้รีบทำบุญกันเมื่อเราได้ทำบุญแล้วเวลาเราตายไปเราก็จะได้ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราจะได้ไปเกิดในที่ดี ไปสู่สุขเดแล้วแต่บุญที่เราทำนี้ได้มากน้อยเพียงใดทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไปสูงขึ้นเท่านั้นทำได้มากเท่าไหร่ทำได้เต็มที่ก็ได้ไปถึงพระนิพพานเลยนี่คือบุญที่พูะเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาทำกันมีอยู่สิบประการด้วยกันคือหนึ่งทานบุญที่เกิดจากการให้เรียกว่าทานสอง ิบุญที่เกิดจากการไม่ทาบาปเช่นการรักษาสิง 3. ภาวนาบุญที่เกิดจากการชำระจิตใจให้สะอาดทําใจให้สงบทําใจให้สวา่างทําให้เกิดปัญญาให้เห็นความจริงของการเวียนว่ายตายเกิดของนรกของสวรรค์ 4. ี่ให้ทําบุญอุทิศ แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วห้าให้ทำบุญให้อนุโมทนาบุญเวลาที่มีผู้อื่นดำริจะทำบุญถ้าเขาบอกบุญมาเราพอที่จะทำได้ก็ร่วมทำไปอนุโมทนาไป 6. ให้มีการรับใช้ผู้อื่นเห็นผู้อื่นเดือดร้อนขาดแคลนตกทุกข์ยากลาบาก เราควรที่จะช่วยเหลือกันเห็นผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือก็ให้การช่วยเหลือกันเจ็ดให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ให้ถือตัวไม่ให้อวดเก่งหอวดดีให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้ทำตัวเป็นเหมือนผ้าขี้ริว้วเป็นเหมือนปัตตภีเพราะผู้ที่ทำตัวให้เป็นเหมือนผ้าขี้ริว้วเป็นปัตตภีได้ จะอยู่อย่างมีความสุขจะไม่เดือดร้อนกับการดูถูกดูแคลนของผู้อื่จะไม่เดือดร้อนกับการถูกเหยียดหยามถูกถูกดา่าถูกค่าลหานินทาเพราะพร้อมที่จะรับกับทุกสภาพเหมือนปัตตภีคือแผ่นดินที่พร้อมที่จะรับกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนา้าฝนหรือน้าปัสสาวะหรือจะเป็นอุจจาระที่เขาถ่ายราด บ, บนปัตี ปฏิีนี้ไม่เคยเดือดร้อนต่อสิ่งต่างๆฉันใดใจของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำตนให้เป็นผู้ต่ทํำรงให้เป็นผู้มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนน้าจะอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขข้อแปดก็คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นนั่นแหละ คือให้เห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงถ้าปฏิบัติทําบุญได้เต็มร้อยก็จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปไม่ต้องไปรับผลบุญผลบาปอีกต่อไป 9. คือการฟังเทศฟัง่งธรรมเวลาฟังเทศสังธรรมแล้วก็จะทำให้เรา ได้มีความรู้ได้รู้จักทางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ดำเนินไปว่าจะต้องไปอย่างไรเช่นวันนี้เรามาฟังเทศน์ังธรรมเราก็ได้ยินแล้วว่าเรายังต้องเดินทางต่อไปและทางที่เราจะไปนั้นก็มีสองทางคือทางสู่สุคติหรือทางสู่อบายและทางเหล่านี้ก็เกิดจากการกระทาของเรา เราเดินไปเองเราทำบุญเราก็ไปทางหนึ่งเราทำบาปเราก็ไปทางหนึ่งและผลก็จะต่างกันนี่คือเรื่องของการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมฟังแล้วจะทำให้เราได้แสงสวา่างทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องทำให้เราหายสงสัยในเรื่องที่เรายังสงสัยอยู่เช่นเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหลนี้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะไม่สงสัยว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วประการสุดท้ายคือการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเมื่อเรามีธรรมะแล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วเราบรรลุแล้วเราก็สามารถเอาไปสอนผู้อื่นได้เช่นพระพุทธเจ้า หลังจากที่ทรงตัดสู่แล้วพระองค์ก็ทรงนำเอาธรรมะที่ทรงตัดสู่นี้ไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปแต่ถ้าเรายังไม่บรรลุแต่เราอยากจะเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นเราก็ต้องเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าและของพาาาระอรหันต์ทั้งหลายที่ได้มีการจลรึไวในหนังสือเอามาแจากเป็นธรรมทานกันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกกัน อย่างนี้ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ไม่มีโอกาสมาวัดได้มีโอกาสได้ศึกษาได้อ่านธรรมะคำสอนของพ่อระพุทธเจ้าได้มีโอกาสได้รู้จักแนวทางที่จะนำเนินตนเองให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือบุญสิทธิประการที่เราควรจะทำกันไป ตามกาลเทศะตามเวลาที่เหมาะสมตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นไม่มีอะไรปกติเราก็ถือการทําทานเช่นใส่บาตรเป็นหลักมีพระผ่านมาทางบ้านเราเราก็ควรที่จะใส่บาตรกันถ้าเราอยากจะใส่บาตรแต่ถ้าไม่มีพระมาเราก็ใช้วิธีอเงินที่จะซื้อของใส่บาตรนี้ใส่กระปุกเอาไว้ วันเล็กวันน้อยทําทุกวันพอเวลาที่เรามาวัดเราก็นำเอามาถวายวัดต่อไปอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทำทานตามปกติได้ทำทานทุกวันนอกจากนั้นแล้วเมื่อมีโอกาสวันสำคัญสำคัญเช่นวันวันทอดกระถินวันทอดผ้าป่าหรือวันอะไรที่เราอยากจะทําบุญเป็นพิเศษเราก็ทําไป นอาจากทากับวัดแล้วถ้าเรายังมีเหลือเราอยากจะทำอีกเราก็ทำกับโรงเรียนก็ได้ทำกับโรงพยาบาลก็ได้ทำกับสาธารณกุศลต่างๆก็ได้หรือจะทำกับบุคคลต่างๆก็ได้บุคคลเช่นบิดานานดาปุยญาตายายคูบาอาจารย์ญาสนิทมิสหายเราทำได้เราได้บูมเหมือนกัน เพราะการให้นี้ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องให้กับนักบวชคือพระภิกษุสามเณรเท่านั้นถึงจะได้บุญได้ทุกคนให้กับใครได้บุญเหมือนกันหมดให้พระพุทเจ้า ก, ก็ได้บุญให้ให้สุนัข ก, ก็ได้บุญบุญคืออะไรบุญก็คือความสุขใจความเบาใจความอิ่มใจความพอใจความภูมิใจอันนี้เป็นบุญที่เกิดจากการให้ เวลาเราให้เราตัดกิเลสคือความหวงตัดกิเลสคือความโลภตัดกิเลสคือความยึดติดในสมบัติเข้าวของเงินทองการให้อย่างนี้ให้กับใครเราก็จะได้บุญคือความสุขใจเหมือนกันแต่ที่เราต้องเลือกทำกับคนบางคนนี้ก็เพราะว่าเราอยากจะได้มากกว่าบุญเราอยากจะได้ของแถมมาเช่น เวลาเราไปเติมน้ํามันบางทีเราก็เลือกปั๊มเติมเพราะว่าบางปั๊มมีของแจกบางปั๊มไม่มีของแจกนอกจากน้ํามันแล้วเราอยากต้องการของแจกถ้าปั๊มไหนมีของแจกมีอะไรให้เราชิงโชคเราก็อยากจะไปชิงโชคไปเติมน้ํามันที่ปั๊มนั้นอันใดเวลาเราทําบุญกับบุคคลต่างๆเราก็จะได้รับบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งตอบแทนมาถ้าเราทําบุญกับ โรงพยาบาลเราก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคภยัยไข้เจ็บคุยกับหมอคุยกับพยาบาลเขาก็จะคุยเรื่องการรักษาวิธีรักษาโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆถ้าเราไปทําบุญกับวัดทําบุญกับพระเราก็จะได้ยินได้ฟังธรรมะธรรมะนี่เป็นบุญอีกขั้นหนึ่งเป็นบุญอีกกระทงหนึ่งเป็นบุญที่สําคัญกว่าบุญที่ได้จากการให้ หลายหลายเท่าด้วยกันเพราะถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็จะมีแสงสว่างนำทางพาชีวิตของเราให้ไปสู่ทิศทางที่ดีได้ให้ไปจุจดหมายที่ดีคือความสุขความเจริญได้ดังนั้นถ้าเราทบุญกับพระที่มีธรรมะมากเราก็จะได้ธรรมะมากถ้าเราทาบุญกับพระที่มีธรรมะน้อย เราก็จะได้ธรรมะน้อยคือได้แสงสว่างน้อยหนังที่มีการเปรียบเทียบว่าถ้าทําบุญกับคนธรรมดานี้จะได้แสงสว่างหนึ่งเท่าถ้าทําบุญกับพระภิกษุก็จะได้บุญได้แสงสว่างสิบเท่าถ้าทําบุญกับพระอริยเจ้าขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันก็ได้แสงสว่างร้อยเท่าทํากับพระสะกิรดาคามี ก็ได้พันเท่าพระอนาคามีได้หมื่นเท่าพระอรหันต์ได้แสนเท่าพระมุนกับพระพุทธเจ้าได้ล้านเท่าแสงสว่างของแต่ละอง์นี้มีไม่เท่ากันเหมือนกับหลอดไฟที่เราใช้ติดในบ้านของเราหลอดไฟนี้มีตั้งแต่20วัต50วัต10วัต20วัต40วัต60วัต100วัต มีพลังแสงสว่างไม่เท่ากันถ้าเราอยากต้องการแสงสว่างมากๆเราก็ต้องติดไฟที่มีกำลังสูงถึงจะได้แสงสว่างมากฉันใดถ้าเราอยากจะได้แสงสว่างทางจิตใจคือกุศลคือธรรมะเราก็ต้องหาทำบุญกับพระที่มีแสงสว่างมากๆนั่นเองจึงเป็นที่นิยมที่จะทำกับพระพุทธเจ้ากันถ้าเลือกได้ ถ้ามีพระพุทธเจ้าก็าจะเลือกไปทงกับพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารหันต์ก็จะไปเลือกทงกับพระอาหารหันต์ก่อนถ้าไม่มีพระอาหารหันต์ก็ต้องเลือกพระที่มีแสงสว่างตามองาตามลาดับ น, นี่คือเหตุผลที่ว่าบางทีเวลาเราทำบุญเราต้องการเราต้องเลือกคนเพราะว่าเราต้องการแสงสว่างนำพาชีวิตของเรานั่นเอง แต่ถ้าเราไม่ต้องการแสงสว่างเราทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ก็ได้ทำกับพี่กับน้องก็ได้ทำกับเพื่อนก็ได้ทำกับสัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นปล่อยนอกปล่อยปลาอย่างนี้เราก็ได้เหมือนกันแต่เราจะไม่ได้แสงสว่างเท่านั้นเองนี่คือเรื่องของทานที่เป็นพื้นฐานเป็นจุดเริ่มต้นของความดีทั้งหลาย เราควรที่จะทำทากนกรรมอย่างสม่ำเสมออย่าเสียดายในสมบัติเข้าของเงินทองขอให้คิดเสียว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายเมื่อเราตายแล้วเงินทองเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นของเราอีกต่อไปถ้าเราอยากจะได้บุญเราต้องให้ก่อนที่เราตายการเขียนพินัยกรรมนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการให้เป็นเพียงการแสดงแสดงเจตนาเลย ถ้าอยากจะให้อยากจะได้บุญต้องให้ตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ตายเช่นเรารู้ว่าเราจะต้องตายและเรามีเงินเหลือมากเกินไปเราก็เก็บไว้เท่าที่เราจำเป็นจะต้องดูแลชีวิตของเราส่วนที่เหลือเราก็เอาไปทำบุญจะแบ่งให้ลูกก็ได้จะแบ่งให้ใครก็ได้มันก็จะเป็นบนุญแต่ถ้าเราเอาไปทำที่วัดเราก็จะได้มีโอกาสได้ฟังเทศน์ฟังธรรม เราก็จะได้ของแถมจากการฟังเทศฟังธรรมนี้อีกขั้นหนึ่งอีกต่อนเนึ่งเราก็อาจจะบรรลุได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยก็ได้เพราะเวลาที่เราใกล้าตายแล้วนี้เรามักจะเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดทรงสอนแะเมื่อเรามีความเชื่อเราก็จะกล้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเช่นทรงสอนว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรา อย่าไปยึดติดเป็นอันขาดเพราะการยึดติดจะทําให้เราทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าเราปล่อยได้เราปล่อยยอมตายได้ตรงได้เราจะไม่ทุกข์ใจเลย <c oughs> เหมือนกับเวลาที่เราเอาเงินทองมาถว า, ายวันก็เหมือนกับการปลงเรายอมเสียเงินทองก้อนนี้ไปพอเราเสียเงินทองก้อนนี้ไปเราจะไม่รู้สึกทุกข์ใจเลยเพราะว่าเรายินดีเราตั้งใจ เราพร้อมที่จะเสียแต่ถ้าเราไม่พร้อมเงินทองที่เราจะมาทำบุญ น, นี้ก็ถูกเอาถูกขโมยไปก่อนเราจะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราไม่ยินดีที่จะเสียแบบนั้นเรายินดีที่จะเสียแบบด้วยการทำบุญฉันใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ถ้าเรายึดติดเวลาเราจากเขาเขาจากเรานี้เราจะทุกข์ใจ แต่ถ้าเรายินดีพร้อมที่จะให้เขาจากเราไปพร้อมที่จะจากเขาไปเวลาจากกันเราจะไม่ทุกข์เลยเรากับมีความเบาบอกเบาใจมีความสุขใจเหมือนกับเวลาที่เรามาทำบุญกันในตอนนี้ตอนนี้เราเสียเงนไปแต่เราไม่ทุกข์ใจเราไม่เสียใจเรากับมีความสุขใจเบาบอกเบาใจนี่คือบุญ ที่จะเกิดจากการให้ทานการให้ทานก็คือการตัดความยึดติดนั่นเองตัดความหวงอย่ายึดติดอย่าหวงเพราะต้องรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเรามันไม่เที่ยมมันจะต้องจากเราไปในวันหนึ่งดังนั้นเราต้องฝึกตัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นสมบัติเข้าของเงินทองและตัดความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเรา ตัดความยืดมั่นในความสุขของเราเพราะความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงร่างกายของเราบา ง, บางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็เจบ็บบางวันก็ไม่เจบ็บเวลาเจ็บก็อย่าไปรับเกียรอย่าไปอยากให้มันหายอย่ากลับไปหาความสุขอย่าไปอยากให้มันสุขเพราะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไปสั่งไม่ได้เราสั่งให้ฝนตกไม่ได้ สันใดล้วก็สั่งให้ความเจ็บหายไปไม่ได้แต่เราสามารถทำใจของเราไม่ให้เจ็บกับความเจ็บของร่างกายได้ถ้าเราปล่อยวางความเจ็บร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เจ็บไปถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่เจ็บที่ใจเราจะไม่ทุกข์ที่ใจถ้าเราปล่อยร่างกายให้ตายไปได้ไม่กระเดื่องร้อนกับความตายของร่างกายใจของเราจะไม่เจ็บใจของเราจะรู้สึกเฉย เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะทํากันได้ถ้าเราไปได้ยินได้ฟังมาจากพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังมาจากพระอาหารหันต์เพราะมีผู้ที่ทํากันมาแล้วเป็นจนํานวนมากบุ <c oughs> กคคลเหล่านี้เวลาเจ็บเวลาตายไม่ทุกข์กับความเจ็บกับความตายเลยเ <c oughs> พราะมีแสงสว่างมีธรรมะคอยสอนใจให้ปล่อยวางอยู่นั่นเอง ดังนั้นขอให้พวกเราจรงพยายามทำบุญกันให้มากๆเช่นทำทานฟังเทศฟังธรรมกันอย่างที่เรามาปฏิบัติกันในวันนี้เมื่อเราฟังแล้วเราก็เอาไปทำต่อเอาไปทำบุญอยู่เรื่อยเอาไปรักษาศีลเอาไปภาวนาทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดให้ปล่อยวางให้คิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปถ้าเราหมั่นคิดอย่างนี้สอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะมีกำลังที่จะทำตามที่พพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้ที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้เมื่อเราปล่อยวางได้แล้วใจของเราจะไม่เดือดร้อนกับการเป็นการตายของร่างกาย และไม่เดือดร้อนกับการเจริญกับการเสื่อมของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขานั่นเองเราไม่ไปยึดไปถือว่าเป็นของเรานี่คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลการทำประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าทรงตัดเตือนไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไป จึงขอให้พวกเราจงหมั่นพิจารณาความไม่เที่ยงให้อยู่อยู่เรื่อยๆให้พิจารณาว่าสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็จะต้องจากเราไปเราจะต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วเราจะอยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกข์กับการพัดพากจากสิ่งต่างๆไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา ยงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัฒนารักและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเท็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตอกใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุพรนษาสุขทรสโดยทั่วหน้ากันเธอ <c oughs>